วันนี้ในวันอาทิตย์ที่ยสิบเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อจะ เกิประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของท่านทั้งหลายการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเปิดดูแผนที่ชีวิตของพวกเราพวกเรานี้เป็นเหมือนผู้เดินทางผู้เดินทางจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้จําเป็นจะต้องรู้จักทางถ้าไม่รู้จักทางก็ต้องคอยเปิดแผนที่ดูทาง ดูว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ชีวิตของพวกเรานี้ก็มีทิศทางที่เราสามารถเลือกเดินได้สามทิศทางด้วยกันทางที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์หนึ่งสองทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขแบบชั่วคราวแล้วสาม ทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขแบบถาวร น, นี่คือทิศทางที่เราสามารถเลือกไปกันได้สำหรับจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจของพวกเรามาแวะติดอยู่กับร่างกายมาร่างกายนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่ง ที่ร่างกายเรามาจอดแวะกันร่างกายนี้หรือพบของมนุษย์นี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับการเดินทางก็เป็นเหมือนกับสถานีบริการเวลาที่เราเดินทางไกลเราจำเป็นที่จะต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ามันเพื่อพักเพื่อรับประทานอาหาร เพื่อเข้าห้องน้ำห้องท่ากันแล้วเมื่อเราได้เติมสเบียงเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อไปนี่คือพบของมนุษย์เราที่เรามาพบกันตรงนี้ก็เหมือนกับเรามาจอดแวะที่สถานีบริการเวลาเราแวะเติมน้ำมันเราก็จะเจอผู้คนหลากหลาย ที่มาจอดแวะเติมน้ํามันเหมือนกันมาเติมน้ํามันมาซื้อขนมซื้อน้ําซื้ออาหารซื้อเสบียงต่างๆเพื่อที่จะได้สนับสนุนในการเดินทางให้เดินทางไปได้อย่างสุขสบายและถึงจอดจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้ถ้าไม่แวะเติมน้ํามันน้ํามันหมดรถก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ แล้วก็ที่สถานีบริการนี้มักจะมีแผนที่ให้เราดูกันว่าตอนนี้เราเดินทางถึงที่ไหนแล้วทิศทางที่เราจะต้องไปนี้ยังเหลืออยู่อีกกี่โลถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็จะได้มีโอกาสได้ดูแผนที่ด้วยได้เติมน้ํามันเติมอะไรด้วย ให้เติมสเบียงต่างๆให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะได้แผนที่ที่ดีที่สุดถ้ามาเกิดในยุคอื่นที่มีศาสนาอื่นก็จะมีแผนที่แต่เป็นแผนที่ที่ไม่ครบไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นศาสนาอื่นเป็นแผนที่ของศาสนาอื่น ก็จะมีบอกเพียงสองจุดหมายปลายทางคือทางไปสู่ความทุกข์และทางไปสู่ความสุขแบบชั่วคราวแต่จะไม่มีทางที่จะบอกไปสู่ความสุขที่ถาวรต้องมีแผนที่ของพระพุทธศาสนาที่จะรู้จักจุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งคือ ที่มีแต่ความสุขอย่างถาวรที่พระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าพระนิพพานอันนี้มีอยู่เพียงในแผนที่ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นนี้จะสอนให้ไปที่ใดที่หนึ่งในสองที่คือที่มีแต่ความทุกข์หรือที่มีแต่ความสุขแต่เป็นความทุก ความสุขแบบชั่วคราวจะต้องกลับไปใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะบอกจุดหมายปลายทางอีกจุด<ม>ที่ไปแล้วจะทำให้เรานี้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปและความสุขที่เราได้ก็จะเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่เสื่อมไม่หมด นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าเหล่านี้เป็นผู้เดินทางไกลเดินทางอยู่ในโลกของจิตวิญญาณโลกของจิตวิญญาณนี้เราเรียกว่าไตรภพหรือสังสารวัฏโลกที่ ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกที่ไปไปมามาไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้วไม่นานเราก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่เพราะเราต้องกลับมาจอดว่าเติมน้ํามันกันใหม่เพราะน้ํามันที่พาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางมันหมดเราก็ต้องเติมน้ํามันใหม่ นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตตวิญญาณของพวกเราตอนนี้จิตตวิญญาณของพวกเรามาแวะจอดที่สถานีบริการการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงที่เรามาแวะเติมเสเบียงกันสเบียงที่เราเติมก็ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆนี้เองถ้าเราเติมเสเบียงที่พาให้เราไปเจอกับความทุกข์ เราก็จะไปเจอกับความทุกข์สบียงที่พาให้เราไปสู่ความสุขชั่วคราวเราก็จะไปสู่ความสุขชั่วคราวสบียงที่เราเติมเพื่อให้เราไปสู่ความสุขแบบถาวรเราก็จะไปสู่ความสุขแบบถาวรดัง <c oughs> นั้นเราต้องทราบว่าการเดินทางของเราด้วยสบียงต่างๆนี้เป็นอย่างไร การเดินทางของเราด้วยสเบียงต่างๆก็คือการกระทาของเรานี้เองการกระทำสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจการกระทาเหล่านี้แหละถือว่าเป็นการเดินทางของพวกเราเราสามารถใช้กายวาจาใจการกระทาทางกายวาจาใจพาเราไปสู่ที่มีแต่ความสุขก็ได้ จะพาให้เราไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์ก็ได้ <Yeah. S 2> จะพาให้เราไปสู่ที่มีแต่ความสุขที่ถาวรก็ได้ <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับการกระทาทางกายทางวาจาทางใจของพวกเรา yeah. Yeah. อนาคตของพวกเรานี้ไม่มีไทยกำหนดให้กับเรา <Yeah. S 2> ไม่มีพระพรหมมากำหนดพรหมลิขิตไม่มี yeah. Yeah. อนาคตของเรานี้จุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันนี้ อยู่ที่การกระทาของเราเราเรียกว่ากรรมลิขิตชีวิตของพวกเรานี้เราเป็นผู้ลิขิตชะตาของพวกเราเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่สุขที่เจริญก็ได้เราจะไปสู่จุดหมายปาล า, ปายทางที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ได้เราจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่สิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ อยู่ที่ตัวเรามไม่มีใครมาลิขิตมากําหนดชะตาชีวิตของพวกเราได้ <Yeah. S 1> การไปดูหมอดูก็เสียเวลาเปล่าๆเพราะ <Yeah. S 1> หมอดูก็ไม่สามารถที่จะมาดูอนาคตของเราได้ <Yeah. S 1> เรานี่แหละเป็นผู้ที่จะรู้อนาคตของพวกเรารู้ด้วยการกระทำของพวกเรานี้เองไม่ได้รู้อยู่ที่ตรงไหน <Yeah. S 1> อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเราเหมือนกับขับรถนี่ ขับรถเราก็จะรู้ว่าเราไปห้างไหนกันดูดูที่การขับรถของเราเราวิ่งไปถนนนี้มันก็จะพาเราไปสู่สถานที่นั้นวิ่งไปเีกถนนหนึ่งมันก็จะพาเราไปอีกสถานที่หนึ่งไม่ต้องไปถามใครถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาท่านั้นว่าการกระทาแบบนี้พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางแบบไหนกัน ดังนั้นให้เราดูการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจผู้ที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ก็ได้สู่ความสุขแบบชั่วคราวก็ได้สู่ความสุขแบบถาวรก็ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจเราเรียกการเคลื่อนไหวหรือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจว่ากรรมกรรมนี้เป็นคำกลาง ไม่ได้หมายคำว่าบาปแต่บางทีเรามักจะใช้แทนคําว่าบาปกันเช่นเวลาเราพูดถึงบุญถึงกรรมนี่เราพูดถึงบุญกับบาปแต่เรามักจะไม่ชอบคําว่าบาปเราก็เลยใช้คําว่ากรรมแทนคําว่าบาปเช่นพอเราพูดถึงกรรมเราก็เลยไปคิดถึงคําว่าบาปทันทีแต่ความหมายที่แท้จริงของกรรมนี้แปลว่าการกระทำํำ การกระทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมการกระทําทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทํามโนกรรมเป็นยังไงก็คือความคิดต่างๆเรียกว่ามโนกรรมคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดเพื่อให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ได้อันนี้เป็นความคิดเรียกว่ามโนกรรม ก่อนจะทำกรรมอย่างอื่นได้คือวจีกรรมและกายกรรมต้องมีมนุกรรมเป็นผู้เริ่มต้นก่อนวจีกรรมกับกายกรรมนี้รอคำสั่งจากมนกรรมก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้เราคิดว่าเราจะมาวาดกันพอคิดแล้วเราก็สั่งทางวจีกรรมว่าเดี๋ยวชวนเพื่อนไปนะ ชวนคนนั้นชวนคนนี้ไปบอกเขาทางวาจาอันนี้ก็เรียกว่าวจีกรรมแล้วพอเราออกเดินทางเอาพาร่างกายของเรามาสู่วัดเราก็ใช้กายกรรมการกระทําทางกายนี่เรียกว่าเป็นการกระทํากรรมกรรมมีสามทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม และการกระทำที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ก็มีอยู่สามทางด้วยกันทางที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆ<ม>ก็คือการกระทำที่เป็นบาป<ม>พอเราทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขก็คือบุญคือการกระทำที่เป็นบุญพอเราทำบุญแล้ว เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทางที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพาให้เราไปสู่ความสุขที่ถาวรก็คือการกระทำที่หยุดกิเลส ต, ต่างๆหยุดกิเลส ต, ตัณหาได้หมด <c oughs> หยุดความโลภความโกรธความหลง <c oughs> หยุดคิดไปในทางความโลภคิดไปในทางโกรธ คิดไปในทางความหลงถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางความโลภโกรดหลงได้ใจของเราก็จะไปสู่พระนิพพานได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรได้นี่แหละคือตัวที่จะพาให้เราไปสู่ที่ต่างๆคือการกระทําที่เป็นบาปหนึ่งการกระทําที่เป็นบุญหนึ่ง และการกระทําที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดให้หมดสิ้นไปจากใจอีกหนึ่งนี่นี่คือสามเส้นทางใหญ่หญทางหลวงสามเส้นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสมเหมือนประเทศไทยเราก็มีทางด่วนสามเส้นใหญ่ ห, ญหมายเลขหนึ่งก็ขึ้นไปทางเหนือหมายเลขสองก็ลงไปทางใต้หมายเลขสามก็มาทางทิศตะวันออกนี่ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเดินไปหมายเลขหนึ่งถ้าเราทําบาปเราก็จะไปสู่ว า, ายศีรษะนด้วยกันไปสู่การไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายและไปสู่นรกนี่คือเส้นทางที่เรียกว่าบาปคําว่าบาปนี้แปลว่าอะไรคือการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์เกิดความเสียหายนั่นเอง การกระทามันไดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกายเมื่อพูดไปแล้วทำไปแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนเรียกว่าบาป <c oughs> แล้วอีกทางหนึง่งที่ไปแล้วพาให้ไปสู่ความสุขเป็นอย่างไรก็คือการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขนั่นเอง พอทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขใจเราก็จะสุขตามไปด้วยเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการกระทาของเราเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาเราทำบาปเห็นผู้อื่นเขาทาทาให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจเราก็จะไม่สบายขึ้นมา <c oughs> ถึงแม้จะคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขเช่นเวลาเรากโกรธใครมากๆแล้วเราไปทาร้ายเขา คิดว่าทำแล้วเราจะสบายใจไม่สบายแล้วทำไปแล้วเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาต่อไป <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องตายตัวเรื่องอัตโนมัตินะ <c oughs> เรื่องความสุขความทุกข์ของใจที่เกิดจากการกระทำนี้มันเป็นไปเหมือนกับเงาตามตัวเรา <c oughs> เราเดินไปทางไหนเงามันก็จะตามเราไปทางนั้น เรากระทำบาปความทุกข์มันก็จะตามมาเราทำบุญความสุขก็จะตามมาแต่ความสุขและความทุกข์ที่เราทำนี้มันเป็นแบบชั่วคราวมันหมดมันหมดกำลังได้เพื่อผลของการกระทามันหมดกำลังมันก็พาให้เรากลับมาอยู่จุดที่เป็นมนุษย์กัน จุดเป็นมนุษย์นี่เป็นจุดที่เรา <c oughs> พ้นบาปพ้นกรรมแบบชั่วคราวพอไปรับผลบาปที่เราทาเสร็จพอบาปนั้นหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอทําบุญได้ไปสวรรค์ไปสู่ที่มีความสุขพอบุญที่ส่งเราไปหมดกำลังเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็กลับมาเติมบุญใหม่เติม <Yeah. S 1> บุญเติมบาปใหม่ตามแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะพาให้เราไปทำกันบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำบาปแต่ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เราทำบาปได้บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำบุญแต่เราก็อาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ทำบุญก็ได้ <c oughs> การทำบุญและทำบาปนี้ทาได้ทั้งมี มีความตั้งใจที่จะไปทำหรือไม่บางทีไม่ตั้งใจแต่มีเหตุการณ์ดึงไปทําก็ได้เช่นไม่ตั้งใจจะไปกินเหล้าเดี๋ยวไปเจอเพื่อนบอกว่าวันนี้วันเกิดกูไปกินเหล้ากูหน่อยวอ่ะเก่งใจเพื่อนก็ต้องไปกินกับเขาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปกินเหล้าแต่พอดีมีเหตุการณ์มาดึงให้ไปนทําบุญก็เหมือนกันไม่ได้ตั้งใจจะทําบุญแต่เพื่อนบอก ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยจะไปวัดไม่มีใครไปด้วยเพื่อนชวนไปรักเพื่อนก็ไปกับเพื่อนอเพื่อนชวนมาวัดก็มาอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญโดยที่ไม่มีความตั้งใจ <c oughs> มันมีเหตุการณ์บางอยา่างบางครั้งบางคราวบางเวลาที่อาจจะทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำก็ได้หรืออยากทำก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของบุญของบาปที่เราทากันอยู <c> ่ <oughs> แต่ถ้าเราได้มาศึกษามาดูแผนที่แล้วเรารู้ว่าการทำบุญนี้จะพาเราไปสู่ความสุขและการทำบาปนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์เราก็จะมีความตั้งใจถึง แ, แม้เพื่อนจะมาชวนไปกินเหล้าเขาบอกไปไม่ได้ไปแล้วบาปไปแล้วทำให้เราเสียหายทุกข์เราไม่ไปดีกว่า พอไปเมาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ขับรถเมาแล้วก็อาจจะไปชนคนตายก็ได้ก็เลยต้องปฏิเสธไปบางทีเราต้องเสียเพื่อนเพื่อรักษาจุดหมายปลายทางที่ดีของเราถ้าเราต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีพอมีเพื่อนมาชวนเราไปในจุดหมายปลายทางที่ไม่ดีเราก็ต้องเลือก จุดหมายปลายทางของเราไว้ก่อนถ้าเพื่อนเขาไม่พอใจเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ไม่ควรเสียใจเพราะเพื่อนแบบนี้ก็ไม่น่าคบอยู่แล้วเพื่อนที่จะชวนเรามาไปสู่นรกนี่ไปสู่อบายนี่ไม่เป็นเพื่อนที่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยอย่านถ้าเขาไม่พอใจเขาจะเลิกคบค้าสมาคมกับเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราอันนี้เกิดจากการที่เรารู้แผนที่เราดูแผนที่ เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นทิศทางที่เราต้องไปงั้นใครจะมาชวนเราไปเราก็จะไม่ไปกันเราจะไปในทิศทางที่เราต้องการไปคือทำความดีทำบุญคิดดีพูดดีทำดีเรียกว่าเป็นการนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขกันไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเวลาที่เรากับร่างกายแยากออกจากกัน เวลาที่ร่างกายตายไปก็ดีหรือเวลาร่างกายนอนหลับก็ดีอันนี้เป็นเวลาที่จิตใจของพวกเราจะแยกออกจากร่างกายเวลานอนหลับนี้เราก็จะแยกกันแบบชื่วข่าวเวลาตายก็แยกกันแบบถาวรเวลานอนหลับพอร่างกายนอนหลับปั๊บเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจจะไปกันถ้าเราทําดีคิดดีพูดดีทาดี เราก็จะฝันดีกันเวลาเราฝันนี่เราก็ไม่ไม่คิดว่าเราฝันกันเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงกันเราคิดว่าเรากำลังไปพบกับสิ่งที่ดีปพื่แต่ความสุขกันจะมารู้ว่าเป็นความฝันก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองนี่แหละคือโลกของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายมันจะเป็นเหมือนกับโลกของความฝัน มันจะใช้บุญใช้บาปนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาผลิตเรื่องราวต่างๆให้ดวงวิญญาณได้เสพได้สัมผัสกันถ้าทำบุญ mm hmm. ก็จะมีแต่เรื่องของดีๆที่มีแต่ความสุขความเบิกบานใจความสบายใจให้มาได้สัมผัสกัน mm hmm. ถ้าทำบาปก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องหวาด เรื่องอันตรายเรื่องพิษภัยต่างๆมาให้จิตใจได้เสพได้สัมผัสเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับนี่เราอาจจะได้เห็นหนังตัวอย่างของพวกเราว่าอนาคตของพวกเราเวลาที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีนีก็แสดงว่าเราจะไปดีไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์เราจะยืมมีแต่เรื่องราวดีๆให้เราได้เสพได้สัมผัส เวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วแล้วถ้าเราฝันร้ายนี่ก็แสดงว่าเวลาเราตายไปนี่ดวงวิญญาณของเรานี่จะต้องไปอบายอย่างแน่นอนจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแต่พิษมีแต่เรื่องราวที่น่าหวาดกลัวเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่องของความหิวโหยเรื่องของความว <c oughs> ุ่นวายใจต่างๆ นี่แหละคือโลกของดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้ดวงวิญญาณนี้จะอยู่ในโลกของความฝันกันฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆฝันร้ายเราก็เรียกว่าอบายชั้นต่างๆฝันกับฝันแต่เรื่องที่หิวโหย<ม>ก็เรียกว่าเปลด ขวัที่เกี่ยวกับเรื่องแต่งเรื่องหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวก็เรียกว่าอสุติร่ากายขวัญแต่เรื่องที่มีการฆ่าฟันกันอาฆาตพยาบาทร่างแค้นกันก่อกรรมก่อเวรกันก็เป็นนรกนี <c oughs> ่แหละคือผลของการกระทำของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> เราจะสะสมน้ำมันที่ดีหรือน้ำมันที่ไม่ดี เพื่อจะผลิตมโนภาพที่ดีหรือไม่ดีให้กับใจของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วตัวเราคือจิตวิญญาณของพวกเรานี้ไม่มีวันตายเราเพียงแต่มาเกาะติดกับร่างกายชั่วคราวเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ชั่วคราวแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปหมดแล้วเราก็จะไปรับผลของกรรมของเราของการกระทาของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น yeah. Yeah. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดดีว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเราเป็นผู้รับผลของกรรม เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผลของกรรมก็คือเวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะมีแต่ความฝันที่ไม่ดีทั้งหลายถ้าทําบุญก็จะมีแต่ความฝันที่ ดีขวัญแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มีแต่ความสุขความสบายใจ น, นี้คืออนาคตของพวกเราถ้าเราทำบุญหรือทำบาปจะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อทำแล้วมันก็จะเป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมให้กับใจของเราที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขหรือพบกับความทุกข์ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของพวกเราในอนาคตเวลาที่ร่างกายนี้มันตายไปแล้วร่างกายของพวกเราทุกคนนี้มันอยู่ไปไม่คำฟ้าหรอกทุกคนนี้ในที่สุดก็ต้องจากร่างกายนี้ไปกันแต่เราสามารถเลือกทางที่จะไปได้ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเลือกไปทางที่ดีก็ได้ทาบุญ คิดดีพูดดีทำดีคิดด้วยความเมตตากรุณาอันนี้ก็จะพาเราไปสู่การคิดที่ดีพูดดีทำดีทำแล้วก็จะเติมน้ำมันที่ดีไว้ในใจของพวกเราถ้าเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำบาป ต, ต่างๆฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดืม่มสุรายาเมานี่มันก็จะเติมน้ำมันไม่ดีให้แกบจิตใจของพวกเรา แล้วพอร่างกายนี้ตายไปน้ำมันที่ดีก็จะผลิตเรื่องที่ดีให้กับดวงวิญญาณของเราได้เสพได้สัมผัสน้ำมันที่ไม่ดีก็จะเสพก็จะผลิตเรื่องที่ไม่ดีให้จิตใจของเราได้เสพได้สัมผัสจนกว่าน้ำมันมันจะหมดบทเราก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาเติมน้ำมันกันใหม่ นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราไม่ตายแต่ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่ดึงให้จิตใจของเรายังต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยก็เพราะว่าในจิตใจของพวกเรานี้มีความอยากที่จะเสกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้กันนั่นเองอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่าการมาตัญหา ความอยากเสพกามเสพกามมคุณทั้งห้ามีใครบ้างไม่อยากดูหนังไม่อยากฟังเพลงมีทุกคนอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะสัมผัสกับร่างกายของคนอื่นอยากจะกอดคนนั้นกอดคนนี้อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อันนี้แหละเป็นตัว เป็นตัวที่ดึงใจของพวกเราให้มามีร่างกายกันมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองตันหาความอยากของเราอยากเศษการเป็นความอยากอย่างหนึ่งแล้วอยากมีอยากเป็นก็เป็นความอยากอีกอย่างหนึ่งได้ร่างกายแล้วก็อยากให้ร่างกายสวยงามอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้ร่ำให้้วย ให้มีสิ่งต่างๆที่อยากได้อันนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นแล้วก็มีความอยากชนิดที่สามเรียกว่าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้ของไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของไม่ดีทั้งหลายไม่อยากได้แต่ก็หนีมันไม่พ้นต้องเจอมันเช่นไม่อยากแก่ก็ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายก็ต้องตายกัน อันนี้เป็นตัวที่ดึงใจของเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดก็มีทางที่สามทางเลือกที่สคือเราต้องมากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้ให้มันหมดไปให้ได้และการจะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ก็ต้องอาศัยการกระทำ ส, สามข้อด้วยกันใหญ่ๆ ข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องไม่กระทําบาปก่อนเพราะถ้ายังกระทําบาปมันก็ยังจะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในอบายกันอยู่เรื่อยๆมาเป็นมนุษย์ตายไปก็กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ข้อ <c oughs> ที่หนึ่งต้องหยุดการกระทําบาปทั้งปวงข้อ <c oughs> ที่สองเราต้องดึงจิตของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา <c oughs> ด้วยการทาบุญต่างๆ ทำบุญรักษาศีลแล้วใจของเราก็จะขึ้นจากระดับของมนุษย์ไปสู่ระดับของเทพของเทพได้แล้วจากระดับของเทพ์เราก็ต้องยกให้ขึ้นสูงไปสู่ระดับของพรหมต่อไปเพราะการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องออกจากระดับของพรหมถ้ายังอยู่ในระดับของมนุษย์อยู่ในระดับของเทพนี้ของ ยังออกไม่ได้ต้องขึ้นไปสู่ระดับของพรมหมพอได้ออกจากระดับของพรหมแล้วก็เหมือนกับไปถึงทางออกแล้วถึงประตูที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุน้เบื้องต้นเราต้องพยายามรักษาศีลกันให้ได้อย่าทำบาปด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าแล้วแล้วก็ทำบุญกันมีข้าวของเงินทองที่ เหลือกิน <S <S เหนือใช้อย่าไปใช้กับความอยากเพราะเราต้องการตัดความอยากการใช้เงินทองตามความอยากอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากซื้อของนูน้นซื้อของนี้ที่ไม่จําเป็นนี้ต้องตัดไปให้หมดถ้าเราต้องการที่จะตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยเรื่อยๆเงินที่เราใช้นี้ต้องระมัดระวัง อย่าไปใช้ตอบสนองความอยากถ้าอยากจะใช้เงินให้เอาไปใช้ด้วยการทาบุญทาทาน<ๆ>เพื่อจะได้ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเพราะการทาบุญนี้จะทำให้เรามีเมตตากรุณาความเมตตากรุณานี้ือว่าเป็นคุณสมบัติของเทพต้องมีคุณสมบัติที่ดี คือมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นแล้วจิตใจของเราก็จะได้ขึ้นสู่ระดับเทพได้แล้วพอเราขึ้นสู่ระดับเทพได้เราก็จะได้เข้าสู่ระดับของพรหมได้ระดับของพรหมนี้เราต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อคือรักจากรักษาศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนจากการทำบุญทาทาน มาฝึกสมาธิกันมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นพรหมเป็นจิตใจที่ไม่ต้องใช้ความอยากทางร่างกายมาให้ความสุขแต่ยังเป็นมนุษย์ยังเป็นเทพอยู่นี้ยังมีความอยากที่จะเสพกามอยู่แต่พอได้เป็นพรหมนี้จิตใจเวลา อยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบนี้จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นความแต่เป็นความสุขที่ไม่ถาหวนพะกำลังของสติที่ทำให้จิตใจสงบนี้อ่อนกำลังลงความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้รับการกำจัดที่มีอยู่ในใจก็จะดึงใจให้ไปหา ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ก็จะดึงใจให้ลงจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่เราต้องดึงใจให้ไปสู่ระดับชั้นพรมนี้ก่อนพอได้ได้ระดับชั้นพรมคือความสงบจากสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่จะสอนใจให้ตัดความอยากต่างๆได้อย่างถาวร พรปัญญาจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขกันถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีความสุขกันเช่นถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็เหงาไม่มีความสุข เราก็จะไปคิดว่าถ้ามีแฟนแล้วจะทำให้เรามีความทุกข์มีความสุขกันแต่เราถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะเห็นแต่ความสุขโอ้มีแฟนแล้วมีเพื่อนมีความสุขกัน <S S S S แต่ถ้ามีปัญญาก็มองแล้วกเกิดเวลาแฟนเขาเปลี่ยนไปจะทำยังไง <S S 1> เวลาแฟนเขาไม่รักเราขึ้นมาจะทำยังไง <S S 2> เขาเบื่อเราเขาไม่ชอบเราขึ้นมาเราจะทำยังไง <S S 1> หรือเวลาเขาตายไปจะเป็นยังไง หรือเวลาเขาไม่สบายขึ้นมาเป็นอมมาเพิกอมมาพาเนีเขายังจะให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่านี่นี่คือสิ่งที่เราไม่มองกันถ้าเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะมองเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราว่ามันไม่แน่นอนนะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่วันดีคืนดีมันอาจจะพลิกหน้ามือเป็นหนังมือก็ได้อยากดีกลายเป็นไม่ดีก็ได้ ไม่อย่างนั้นจะมีคนหยากันเลือกอรากันแต่งานกันจัดงานเลี้ยงกันฉลองกันใหญ่โตยิ้มแป้นกันทุกคนแต่ไม่กี่เดือ น, นทำไมหยากร์ก็เพราะว่าเปลี่ยนกันเขาก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนอย่าไปโทษเขาฝ่ายเดียวบางทีเราเองก็เปลี่ยนด้วยก็ทำให้เขาเบื่อเราได้เขาเปลี่ยนก็ทำให้เราเบื่อเขาได้พอต่างฝ่ายต่างเบื่อกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ ความสุขที่คิดว่าจะมีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดแบบนี้ได้แล้วประกนได้ว่าจะไม่อยากจะมีคู่ครองอยู่คนเดียวดีกว่าทุกแบบคนเดียวดีกว่าทุกแบบสองคนทุกแบบสองคนนี้อาจจะฆ่ากันตายได้แต่ถ้าทุกแบบคนเดียวนี้ก็อย่างมากก็หาหาวิธีดับความทุกข์ได้โดยการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกัน มาหาวิธีหาความสุขแบบอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะความสุขแบบที่ได้จากการอยู่คนเดียวนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยนี่คือการใช้ปัญญาให้เราเห็นว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่างความสุขที่เราได้จากสมาธิกับความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอาความสุขจากสมาธิดีกว่าเอาความสุขจากความสงบดีกว่าเพราะมันไม่มีพิษมมีภัยไม่มีทุกข์ตามมา เหมือนกับความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <Yeah. S 2> นี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่ต่างๆที่เราอยากได้ <Yeah. S 2> เช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <Yeah. S 2> เราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่มันก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ก็ได้ <Yeah. S 2> ถ้ามันเปลี่ยนไปถ้ามันมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมาย <Yeah. S 2> ของใหม่มันก็ ทำให้เรามีความสุขพอของมันเก่ามันเริ่มชำรุดทรุดโทมมันก็ทำให้เรามีความทุกข์ได้เช่นของต่างๆที่เราซื้อมาเช่นรถยนต์นี่เวลาซื้อมาใหม่ๆมันก็วิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรแต่วิ่งไปสักพักเดี๋ยวบอมันเริ่มเก่าก็เริ่มเสียแล้วเดี๋ยวยางแตกเดี๋ยว <c oughs> ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนขับรถจะ ส, สตาร์ทจะสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่หมดมันเสื่อมเนี่ยนี่คือความไม่แน่นอน <c oughs> ของสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรา <Yeah. S 2> ที่เราไม่มองกัน <Yeah. S 2> พอเราคิดถึงรถยนต์เราก็จะคิดว่าโอ้ยมีรถยนต์น่าสบายพาเราไปไหนมาไหนได้ <Yeah. S 2> ทุกเวลานาทีที่เราต้องการมันไม่ได้มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเสมอไปหรอก <Yeah. S 2> วันดีเกินดีมันก็จะต้องจำรุดทุดทรมจะต้องเสียไป พอเราอยากจะไปไหนมาไหนพอไม่ได้ไปนี้เราก็ไม่สบายใจละทุกข์ใจขึ้นมา <c oughs> นี่คือเราต้องหัดมองโลกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่เราอยากได้กันเ <c oughs> ช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ <c oughs> มันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นความสุขที่ดิ้ดได้ <c oughs> คือมันเป็นความสุขที่เปลี่ยนได้ <c oughs> เป็นจากสุขกายเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ต้องการจะไปเจอความทุกข์จากการความไม่แน่นอนนี้เราก็อย่าไปหามันดีกว่าอย่าไปมีมันดีกว่า <Yeah. S 1> นี่คือวิธีกำจัดความ <c oughs> ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป <Yeah. S 1> เราต้องใช้ปัญญาสอนใจเราอยู่เรื่อย <Yeah. S 1> เวลาที่เราอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไร ต้องคอยบอกว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นของมาคู่กันสิ่งต่างๆนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญมันไ ม, ไม่ไม่มาด้านเดียวเหรียญมันมีทั้งหัวมีทั้งก้อยฉันใด สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาความฉลาดเราจะไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เราได้มากันเราจะเห็นแต่เพียงด้านเดียวเราจะมองเพียงด้านเดียวเราไม่ยอมพลิกมันขึ้นมาอีกด้านนึงเราไม่ยอมคิดว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาตายจากเราไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาไม่ดีกับเราแล้วจะเป็นยังไง อันนี้เราไม่กล้าคิดกันกลัวกันความอยากของเรามันทำให้เราไม่ยอมคิดกันความหลงของเรามันไม่อยากคิดกันเราจึงต้องมาคอยสอนใจมาบังคับใจให้มันคิดกันให้ได้เพราะถ้าเราคิดได้แล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจะเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้ต่อไปความอยากมันก็หายไปมันก็หยุดทำงานพอความอยากหยุดทำงานความรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุขมันก็จะหายไปแล้วความรู้สึกมีความสุขมันก็โผล่ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนหรอกหาความสุขจากการหยุดความอยากต่างๆนี้ให้ได้เท่านั้นเองพอความอยากมันหยุด หมดกําลังไม่มีพลังใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ต่างๆทันทีแล้วก็จะทําให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายกันอีกต่อไปเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมามีร่างกายกันดาบใดถ้าเรายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆจากโลกนี้อยู่เราก็ต้องกลับมามีร่างกายกัน นนี่คือวิธีที่เราจะหยุดการกลับมาเกิดกันได้เพราะเมื่อเรากลับมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันแล้วเมื่อตายแล้วเราก็ไปรับผลบุญผลบาปกันก่อนไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างแล้วแต่กรรมที่เราทํากันว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปกันพอบุญหรือบาปที่เราทําหมดกําลังลง ความอยากของเราที่ต้องการหาความสุขจากโลกนี้ก็จะพาให้เรามาเกาะร่างกายอันใหม่ไปคอยเวียนว่ายดูตามที่ที่เขามีการสร้างลูกกันที่ไหนมีการสร้างลูกพอมีการมีมีปฏิสนธิมีก็จะดวงดวงวิญญาณนี้ก็จะไปเกาะทันที แล้วแต่ใครมีกำลังมากกว่ากันดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้ก็มีกำลังมากน้อยต่างกันเหมือนกับเวลาที่ไปสอบเข้ามหาลัยนี้ก็แข่งกันใครสอบได้คะแนนสูงก็เข้าก่อนใครสอบได้คะแนนน้อยก็ต้องรอคิวไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้ก็มีบารมีไม่เท่ากันพวกที่มีบุญพวกที่มีบาปไม่เท่ากันนี้ก็ต้องไปเข้าคิวกันใครได้ ได้ร่างกายก่อนหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องของบารมีของแต่ดวงวิญญาณอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้ขึ้นอยู่ที่บารมีของแต่ละท่านที่สร้างกันมา น, นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแต่การจะกําหนดความอยากให้หมดไปจากใจได้เราต้องยกระดับจิตของเรา ให้อยู่ในระดับของโคมก่อนอยู่ในระดับของสมาธิมีอุเบกขามีความสุขจากการอยู่คนเดียวก่อนพวกที่เขาปฏิบัติสมาธินี้เขามีความสุขอยู่คนเดียวได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปได้ความอยากก็เกิดขึ้นได้ ถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปหาความสุขจากสมาธิใหม่ต่อไปได้เขาก็จะอยู่ในระดับพรหมแต่ถ้าอยู่ในระดับเทพหรือระดับมนุษย์ที่ยังมีความอยากกับรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆอยู่ยังอยากมีแฟนยังอยากมีคู่ครองอยู่นี่เวลาเกิดความอยากแล้วนี้ไม่มีกําลังที่จะฝืนความอยากได้ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะมาช่วย หยุดความอยากได้ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิแล้วค่อยมาสร้างปัญญาต่อต้องมีทั้งสองอย่างด้วยกันถึงจะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้ามีเพียงแต่สมาธิอย่างเดียวก็สู้ได้แบบชั่วคราวพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หนีเข้าไปในสมาธิพอจิตสงบความอยากมันก็สงบตัวแต่มันไม่ตายมันเป็นเหมือนหินทับหญ้า เวลาเราเอาหินมาทับหญ้านี่ตรงที่หินทับหญ้านั้นหญ้า ก, ก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราย้ายหินออกไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งหญ้าที่ยังมีรากอยู่มันก็จะฟื้นขึ้นมาได้ทันใดความอยากที่มีในใจของเรานี้มันก็จะไม่ตายมันจะไม่หายไปด้วยสมาธิมันต้องหายด้วยปัญญาปัญญาจะเป็นผู้ถอนรากของของ ของกิเลสตัณหาให้ออกจากใจสมาธิเพียงแต่กดเอาไว้เป็นเหมือนหินทับยาเห็นแต่เบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีปัญญาปัญญานี้นานๆจะมีคนรู้สักครั้งหนึ่งมาบอกพวกเราคนที่รู้ปัญญาก็คือพระพุทธเจ้านี่เองคนที่รู้วิธีถ อ, ถอนกิเลสความอยากต่างๆให้ออกจากใจของพวกเรานี้ คือพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีถอดถอนความอยากด้วยปัญญาก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วก็จะสามารถเอาวิธีที่พระพุทธเจ้ามาสอนนี้มาถอดถอนความอยากที่มีในใจของตนเองได้แต่ต้องมีสมาธิต้องอยู่ในระดับสมาธิถึงจะถอนได้ถ้ายังไม่มีสมาธิ ยังถอนไม่ได้เพราะความอยากมันรืนแรงความอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากมีแฟนนี่มันจะแรงมันจะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาสู้กับความอยากได้มันจะถูกความอยากโจมตีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเติ่นขึ้นมาปั๊บก็เกิดความอยากมาอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากดื่มนั่นดื่มนี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่ขึ้นมาทันที จึงต้องระงับความอยากเหล่านี้แบบชั่วคราวก่อนด้วยการฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอ <Yeah. S 1> เวลาใจสงบเราก็จะหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ชั่วคราว <Yeah. S 1> แล้วใจของเราก็จะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าเรารู้วิธีถอดถอนความอยากเราก็สามารถถอดถอนมันได้ <Yeah. S 1> แต่เราต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาบอกทาง คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะสามารถรู้จักวิธีถอดถอนความอยากต่างๆที่มีในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องถอดถอนด้วยการเห็นใจรักเองเห็นอ <Yeah. S 1> นิจจังความไม่เที่ยงเห <Yeah. S 1> ็นอนัตตาความที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้ <Yeah. S 1> เห็นทุกขังที่เกิดจากความไม่เที่ยง <Yeah. S 1> ของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กัน พอเราเห็นตายรักของสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะถอดถอนความอยากได้อย่างถาวรเพราะทุกครั้งเห็นมันผู้เห็นอะไรที่เราอยากได้แล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าใช้สมาธิเราก็เพียงแต่กดไว้กดความอยากไว้เวลาอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่แล้วก็ไปนั่งสมาธิกันไปสวดมนต์ไหว้พระไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากมันก็สงบตัวลงชั่วคราว แต่มันไม่ตายพอออกจากสมาธิมาปั๊บเดี um ๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั <h <h <h <h <h <h ้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอคิดแล้วก็อยากได้ขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูขึ้นมาคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกันคิดถึงข่าวของต่างๆก็อยากจะซื้อกันอยากได้กันมันไม่ตายด้วยสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมานี้ต้องหัดสอนใจให้มองว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยมมันเป็นอนิจจังมันให้ความสุขเราแบบชั่วคราวเช่นไปเที่ยวก็มีความสุขชั่วคราวพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปความเหงาก็กลับเข้ามาแทนที่ใหม่ทาไปเที่ยวกี่ร้อยครั้งมันมันก็เหมือนกันพอกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันความเหงาก็กลับมาใหม่ก็ต้องออกไปเที่ยวอีก นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหยุดความอยากเที่ยวการจะหยุดความอยากเที่ยวได้ก็ต้องฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันจะต้องหลอกให้เราไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวไปจนมันตายมันก็ไม่มันก็ไม่หายความอยากความเหงากับการอยู่บ้านก็ไม่หายความอยากไปเที่ยวมันก็ไม่หมดมันจะหมดก็ต้องมือเห็นว่าการไปเที่ยวนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันจะทำให้เรานี้ติดมันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองให้ <Yeah. S 1> คิดแบบนี้แล้วเราก็จะได้ฝืนมันได้ฝืนมันด้วยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิกำลังเราจะสู้มันไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่เราต้องมีกำลังของสมาธิที่เราได้ฝึกจากสมาธิมามาช่วยเราใช้กับปัญญา <Yeah. S 1> หรือถ้าเราเข้าสมาธิได้ก็เข้าไปแต่เราไม่ได้เข้าเพื่อหลบนีเราเข้าเพื่อ เพื่อสนับสนุนปัญญาพราะนี้จะต่างกันทุกครั้งที่เราอยากทำอะไรเราก็ไม่ทำตามมันถ้ามันทรมานเราก็หยุดความกทรมานด้วยการเข้าไปในสมาธิออกมาอยากอีกก็ไม่ทำอีกฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังเองอันนี้เรียกว่าเป็นการถอดถอนความอยากอย่างถาวรพอฝืนมันได้แล้วไม่ทำตามมันได้แล้วมันจะไม่กลับมารบกวนอีก คนที่เลิกบุหรี่ได้มันจะไม่ต้องกลับไปสูบบุหรี่คนที่เลิกดื่มสุราได้ไม่ต้องกลับไปดื่มอีกคนที่เลิกดื่มกาแฟได้ก็ไม่ต้องกลับไปดื่มกาแฟคนที่เลิกเที่ยวได้ก็ไม่ต้องกลับไปเที่ยวอีก <Yeah. S 1> เพราะของพวกนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดที่เราเลิกได้เลิกด้วยด้วยการฝืนไม่กระทำตามความอยากแค่นั้นเองจะทำได้ก็ต้องมีสมาธิมาช่วยสนับสนุนทุกครั้งเวลาที่อยากก็ ใช้สมาธิช่วยหน่อยทำใจให้นิ่งเฉยเฉยไม่ต้องถึงกับเข้าไปในสมาธิก็ได้ทำใจให้นิ่งเฉยเฉยท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธไปสู้กับความอยากไปเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังเองถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปจากใจของเราอย่างถาวรจะไม่มาดึงให้เรากลับ ม, มีร่างกายต่อไปไม่ดึงให้เรา ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปอันนี้แหละเป็นเส้นทางทางเลือกที่สามของของจิตของพวกเราทุกคนจิตของพวกเรามีทางเลือกอยู่สามทางทางไปสู่อบายไปสู่ความทุกข์ต่างๆไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกเนี่ เจากการกระทำบาปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฆ่าการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดโกหกหลอกลวงดืสุรายามเมาเสพอบา ย, ยามุกต่างๆการกระทำเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่อบายกันไปเวียนว่ายในอบายเวียนว่ายตายเกิดอันในอบาย <c oughs> พอหมดบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทาแบบเดิม เพราะเราเคยมีนิสัยที่ทําแบบไหนเราก็จะกลับมาทําต่อไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้นิสัยของเราเปลี่ยนได้แต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราก็จะกลับมาทําแบบเดิมเคยทําบาปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาทําบาปใหม่เคยเคยเสพอบายามุขก็จะกลับมาเสพอบายามุขใหม่ชเช่นเดียวกับการนิสัยของการทําบุญ ถ้าเทําบุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญใหม่มารักษาศีลใหม่วันนี้มันเป็นนิสัยที่เราปลูกฝังไว้ในใจของพวกเรากันแต่นิสัยเหล่านี้เราเปลี่ยนได้เลื่อเพิ่มให้มันดีขึ้นได้ถ้ามันดีน้อยก็เพิ่มให้มันดีมากได้นิสัยบาปที่มันบาปน้อยทําให้มันบาปมันบาปมากบาปมากขึ้นก็ได้อยู่ที่เราที่เราจะรู้หรือไม่รู้ เราจะทเาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี้เราจะต้องรู้ว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนกัน <c oughs> ก็ต้องรู้ว่าม <c oughs> ิสัยทำบาปมันไม่ดีทำบาปแล้วมันทำให้เราทุกมีเรื่องมีปัญหาไม่รู้จักจบจากสิน้นเลือกทำบาปดีกว่าหรือลดการทำบาปให้น้อยลงดีกว่าอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนทิสัยได้พอคิดจะโกหกก็โกหกไม่ดีอย่าโกหกดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยเฉยว้ ไม่มีใครมาบังคับให้เราพูดได้ก็บอกเขาว่าไม่ขอตอบแค่นี้เองเราก็ไม่ได้พูดโกหกนะถึงแม้เขาจะรู้ว่าเราการไม่การไม่ขอตอบของเรานี้เป็นการตอบก็ไม่เป็นไรแต่ไม่โกหกเนี่ยดีกว่าไปโกหกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้เขาถามว่าทำหรือเปล่าตอนนี้ขอปฏิเสธคำถามนี้ก่อนก็แล้วกันไม่ขอตอบอย่างนี้เขาจะสรุปว่าเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่อย่างน้อยเราไม่ได้โกหก นี่คือวิธีแก้ปัญหาเรื่องโกหกง่ายๆคือหุบปากไว้เสียอย่าพูดแล้วก็ถ้าไม่พูดแล้วถือว่าไม่โกหกะถึงแม้เขาจะรู้ว่าเราทำหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราไม่ได้โกหกเขาถ้าเขาถามแล้วถ้าเราตอบไม่ได้ก็บอกขอผ่านคำถามข้อนี้ขอผ่านก่อนขอหาคําตอบก่อนตอนนี้นไม่รู้คําตอบอยู่ที่ไหนมีโวหารพูดเสหน่อยก็ได้แล้วเขาก็มาบีบบังคับเราไม่ได้หรอก <C oughs> เราฝึกได้ฝืนได้ทุกครั้งที่เราจะหยิบของของคนอื่นก็คิดว่าถ้าเป็นของของเราเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าของเราเราวางโทรศัพท์มือถือไว้ลืมคนอื่นคว้าไปมับเนีเราจะเราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องเดือดร้อนเราต้องเสียใจเราต้องไปซื้อเครื่องใหม่ถ้าคิดถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเราอาจจะสงสารเขาก็ได้ว่าเออเราไม่น่าทำเขาเลยก็อาจจะไม่ทาก็ได้ต่อไป นะมันมีวิธีการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยได้วิธีหนึ่งก็อยู่กับคนที่มีนิสัยที่เราต้องการจะเปลี่ยนถ้าเราทําบาปเราอยากไม่อยากจะทําบาปก็พยายามอยู่กับคนที่ไม่ทําบาปกันเอาไปอยู่กับคนที่ไม่ทําบาปก็ก็ไม่มีใครมาชวนหรือบังคับให้เราทําบาปกันถ้าเราอยากจะทําบุญ <c oughs> ก็ไปอยู่กับคนที่ชอบทําบุญกันเ <c oughs> ขาก็จะชวนเราทําบุญกั น, เ น, นเนี่ยถ้ามาวัดเนี่ยมีบุญให้ทําอยู่เรื่อยๆ มีสีให้รักษามีสมาธิให้นั่งให้ฟังมีธรรมะให้ฟังให้เกิดปัญญาเนี่ยเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆต่างๆถ้าเรายังมีนิสัยที่ไม่ดีเราก็อาศัยวัดนี้แหละเป็นที่โรงเรียนดัดสันดานเขาเรียกวันนี้เป็นเหมือนสถานที่ดัดสันดานดัดนิดสัยที่ไม่ดีต่างๆของเรา <c oughs> ให้เป็นนิสัยที่ดีได้เ <c oughs> พราะที่วัดนี้จะสอนให้เราละการกระทําบาปกันละเศษบาบาอย่างมุกกันสอนให้เรามาทําบุญกัน มาทำความดีกันมาช่วยเหลือกันมาให้ความสุขต่อกันแล้วก็สอนให้เรามาหันั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วแล้วก็สอนให้เรามีปัญญากันด้วยการคิดถึงไตรลักษณ์กันอยู่เรื่อยๆคิดถึงอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆ <c oughs> มีการเกิดก็มีการดับ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีมามีไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ก็ย่อมตามมาเพราะ เราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการความสุขพอความสุขหมดไปเราก็รู้สึกเสียใจขึ้นมา <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะทุกขใจเราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน <c oughs> อย่าไปอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาให้ความสุขกับเรา <c oughs> เอาศัยสิ่งที่จะให้ความสุขแบบถาวรดีกว่าความสุขที่ถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากการตัดความอยากให้ไปหมดจากใจนี้เอง พอเราตัดความอยากได้แต่ละครั้งนี่ใจเราเบาขึ้นเลยอยากอยากดื่มสุดาแล้วเลิกดื่มสุดาได้นี่รู้สึกโอ้ยเบาสบายใจขึ้นอยากเที่ยวแล้วตัดใจไม่ไปเที่ยวได้ปั๊บใจจะเบาขึ้นสบายขึ้นต่อ <c oughs> ไปพอเราตัดความอยากทั้งหลายหมดนี้ใจของเราก็จะเหลือแต่ความสุขสบายใจอยู่เพียงอย่างเดียวนี่และเป็นความสุขสบายใจแบบถาวรแบบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีอะไรจะมาทําลายความ สุขใจของเราได้นอกจากความอยากเท่านั้นแต่เมื่อความอยากได้ถูกกําจัดหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทาลายความสุขของใจเราไปได้ความสุขของใจเราก็จะเป็นความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่านิพานนี่เองนิบานังบามังสุขังความสุขของพระนิพานเป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นมรมมสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง วความสุขทั้งปวงนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวไม่ถาวร น, นั่นเองนี่คือทิศทางที่สามที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบถ้า ม, มีพระพุทธเจ้าไม่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้รู้จักทิศทางนี้เราก็จะรู้จักเพียงสองทิศทางทิศทางที่เกิดจากการทําบาปและทิศทางที่เกิดจากการทําบุญทั้งสองทิศทางนี้ยังจะต้องดึงให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องการที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกขกับการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันเราก็ต้องรอพบกับผู้ที่รู้ทิศทางที่สาคือพระพุทธเจ้าหรือพระพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือเราต้องมีต้องมาพบกับพระพุทธศาสนา <c oughs> พบดีชานี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังไม่ควรที่จะปล่อยอกาสดันดีนี้ให้หลุดมือไป พยายามเข้าหาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาดูแผนที่อยู่เรื่องให้จดให้จำให้ได้ว่าทิศทางที่สามนี้ไปได้อย่างไรบ้าง <c oughs> พอรู้แล้วเราก็จะได้เดินทางไปสู่ทิศทางที่สามที่วิเศษนี้ได้แล้วเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เราเราอยู่ข้างหน้านี้ <c oughs> นี่คือเรื่องเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยัาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสะขลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏทตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยัตามณิโชติ อระโสยะาสพีติโยวิวาชนตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภาวะตอันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนศีลิธสานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัฏาติอายุวมนุสุขัง าลาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะขอของดตอบคำถามเพราะไม่สะดวกมีการกระทำงานต่องั้นใครอยากจะถามอะไร ยินเข้ามาถามได้หรือเขียนส่งข้อความเข้ามาก็ได้เมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกจะถามคำถามไม่ทราบยังอยู่ว่าแบบถ้าอยู่ก็เชิญเข้ามาถามได้มีไม้ให้ท่านพูดจะได้ยินได้ฟังกันชัดเจนถ้ายังไม่มีก็เอาดูว่าวันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ก่อน ผู้ติดตามทางบ้านค่ะ Facebook พระจันทร์สุชาติ428 Facebook พอจอ์สุชาติ54ยอดรวม Facebook 482 YouTube 196วิทยุออน l i n e 14 Zoom 6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ147รวม845ท่านค่ะคำถามจากพี่ตุ้มค่ะจิตที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายนั้นจิตมาเกาะติดอยู่ตรงไหนของร่างกายครับ ตาหูจมูกนิ้วไก่วิญญาณที่มาเกาะที่ตาก็เรียกว่าจาักุวิญญาณที่มาเกาะที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณห้าเส้นด้วยกันมาเกาะติดอยู่ที่ส่วนต่างๆของร่างกายอายณนะอายตนะทั้งห้าเรียกว่าตาหูจมูกนิ้วไก่ดวงวิญญาณไม่ได้มาอยู่ในร่างกาย เป็นเพียงแต่ส่งเหมือนกับเป็นเอาสายมาเสียบเราอยากจะใช้หูฟังเราก็มีสายเสียบเข้าไปในเครื่องเราก็จะสามารถฟังเสียงจากเครื่องได้ร่างกายนี้เป็นที่รับรูปเสียงกินรสผดท่าพะใจอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกินรสผดท่าพะก็ต้องมีสายมาเสียบสายห้าเส้นด้วยกันเรียกว่าวิญญาณอันนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดวงวิญญาณ อันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้านอันนี้ส่วนตัวจิตเองนี้เวลาไม่มีร่างกายอยู่ตามลำพังเราเรียกว่าดวงวิญญาณ น, นี่บางทีคนจะเข้าใจผิดกันคนละตัวกันคำถามจากคุณกุลสิริคะ่ะทำอย่างไรเราถึงจะรู้เท่าทันต้นเหตุทุกข์และรู้วิธีดับทุกข์อย่างถูกต้องตามคำสั่งตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคะ่ะก็ศึกษาก่อนพระพุทธเจ้าบอก ทุกเกิดจากความอยากเะฉะนั้น เ, เราก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูเวลาเราไม่สบายใจนี่เรียกว่าเราทุกนะข์ใจแล้วก็ถามว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมย อ, อยากจะได้ขึ้นเงินเดือนแล้วพอไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็ทุกข์ใจขึ้นม า, เ, าเวลาที่เราไม่มีความอยากจะขึ้นเงินเดือนเราทุกข์ใจไหมเราไม่ทุกขใจไม่เดือดร้อนเะฉะ้นเราก็สามารถที่จะเห็นเห็นอริยสัจได้เราต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณา อยู่ดีๆมันไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรไม่สบายใจกับแฟนเพราะอยากให้แฟนพาเราไปเที่ยวใช่ไหมพอแฟนไม่พาเราไปเที่ยวเราก็ไม่สบายใจพอฟนไม่ตามใจเราเราก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาตามใจเราก็เท่านั้นเองเวลาที่เราไม่มีความอยากเขาตามใจเราเรารู้สึกไงแล้วก็เฉยๆงั้นต้อเปรียบเทียบดู คำถามจากคุณใบตองค่ะตอนเป็นเด็กวัดเคยหยิบของในวัดมาใช้ไม่ได้บอกหลวงพ่อจะป่าปไหมครับตอนนี้จะตามแก้อย่างไรครับก็อยู่ที่ว่าหลวงพ่อท่านอนุญาตหรือเปล่าบางทีท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านก็อนุญาตโดยปริยายแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราควรจะถามท่านก่อนดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราทำผิดเราอยากจะใช้นิสงก็ไปทำบุญเอาเงินเอาของที่เราขโมยนี่ไปคืนวัดไปซื้อไปคืนวัด คขโมยอะไรก็เอาซื้อไปถวายวัดแทนก็ได้คำถามจากคุณแจ็คค่ะ mm. ถ้าผมไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่วัดแต่ผมถึงศีลห้าจะมีโอกาสถึงพระโสดาบันไหมครับถือศีลห้าอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องมีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นตายรักตลอดเวลาในขันห้าในร่างกายว่าไ ม, ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา อันนี้ถึงจะบรรลุเป็นพระสวดาบรรดาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเราควรเป็นพ่อแม่แบบไหนดีคือให้ลูกมาคอยทําอะไรให้เพื่อให้ลูกจะได้บุญหรือควรช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระของลูกๆค่ะ อ, อ๋อเราต้องช่วยตัวเราเองให้ใ ห, ให้ได้เมื่อเราเลี้ยงลูกได้แล้วเราจะ่าไปต้องไปหวังให้ลูกมาเลี้ยงเราทําไมเราเลี้ยงตัวเราได้เลี้ยงคนอื่นได้เราก็ทําองเราต่อไป จนกว่าเราทาไม่ไหวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ก็จะมาดูแลเราต่อไปแต่เราก็อย่าไปหวังห้องทีเจอลูกในโลกุณเหมือนก็ก็จะเสียใจงั้นก็คิดว่าเราต้องพึ่งตนเองไปจนถึงวันตายถ้าพึ่งไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเวลาตายเดี<ม>๋ยวก็ตายถ้าไม่มีใครมาเลี้ยงกินเองกินอาหารเองไม่ได้อดข้าวไม่กี่วันเดี๋ยวก็ตาย<ม>ก็ถือว่าเป็น เป็นการสิ้นสุดของชีวิตของเราที่ไม่ช้าก็เลยก็ต้องสิ้นสุดทางใดทางหนึ่งแต่อย่าไปหวังพึ่งใครดีที่สุดพรจะพุทธเจสอนให้พึ่งตนเองแล้วใจจะสบายถ้าหวังพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พอเขาไม่ให้เราพึ่งเราก็จะเสียใจแล้วแทนที่จะรักเขาก็ไปโกรธเขาเกลียดเขาไปเลย คำถามจากคุณอลักกี้เกอร์ค่ะเราจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้เป็นเด็กไม่ขี้โมโหไม่ขี้งอนทั้งที่เราไม่เคยทำอาการแบบนี้ให้ลูกเห็นค่ะแอ่ใจเหรอคืออาการเหล่านี้บางทีมันติดมากับใจของลูกเป็นนิสัยของเขาเราก็ต้องคอยสอนคอยบอกเขาเวลาก็มีอาการเหล่านี้ก็คุยกับเขาบอกว่าลูกทันอย่างนี้มันทำให้ลูก เป็นคนนี้ไม่น่ารักนะไม่มีใครก็รักคนที่งอนที่มีอารมณ์ไม่ดีนะดูต้องหันรู้จักขมอารมณ์บ้างเลวลาอารมณ์ไม่ดีก็ให้สวดมนต์ไปท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าปล่อยอารมณ์ไม่ดีออกมาทางกายทางวาจาก็มีหน้าที่สอนไงก็สอนไปส่วนเขาจะทําได้ไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทําตามหน้าที่ของเราเท่านั้นเอง คำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์คะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมความรักของคนบางคนถึงลุ่มๆุมดอนๆอนไม่มีความสุขไม่สมหวังกับความรักคู่ครอง ท, งทั้งที่ทั้งทที่เขาพยายามตั้งตนในศีลห้าภาวนาพุทโธและอยู่ในคารวะ ธ, ธรรมครับทุกคนความทุกคนลุ่มๆุ่ ม, มดอนๆนทั้งนั้ น, น, น <laughs> เราไม่ถามหนูมีใครรักแบบ แบบไม่รุ่มไม่ดอนไม่มีหรอกสามวันดีสีวันไข้อยู่ด้วยกันก็อย่างนี้นะ่ใจเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจังาว่าไหนตรงกันก็เป็นความสุขอย่างไหนไม่ตรงกันขัดกันมันก็เป็นความทุกข์อันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตคู่อย่าไปหาหรอกที่ชีวิตคู่ไหนที่จะแบบดีไปตลอดเขาเองแต่เขาไม่เอามา เอามาประจานตัวเขาเองกับชาวบ้านนช่ไหมเวลาออกมาเจอชาวบ้านก็ทําหน้าตทำงๆเหมือนรักกันจินรักกันจังเวลาอยู่อยู่สองแถวสองนี่เหมือนกันขึ้นเวทีมวยก็ได้ <c oughs> คําถามจากคุณไททอลค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นแสงสีต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆนี่ว่าถือว่าเกิดสมาธิไหมเจ้คาคะไม่เกิดหรอกยัง เป็นเป็นอาการของจิตที่บางทีพอเราเผลอสติไม่พุโทโธไม่ดูลมนั่งเฉยๆเดี๋ยวอาการหนนีีก็จะเกิดขึ้นมาได้งั้นอย่าปล่อยให้มันเกิดเราต้องควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมแล้วรับรองได้ว่าอาการกต่างๆจะไม่เกิดแล้วใจจะสงบสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิคือความสงบความว่างความว่างของใจเหมือนอยู่ในอาวากาศอย่างนี้ไม่มีฟ้ารับไม่มีไม่มีอ จะหลวดวิ่งไปวิ่งมาต้องมีสติคอยควบคุมใจนั่งสมาธิถ้านั่งแบบไม่มีสติแล้วก็จะมีผลต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าไม่ฉลาดก็อาจจะบ้าตามก็ได้กลายเป็นคนบ้าไปคําถามจากคุณประนอมค่ะการที่คนไปทําบุญที่ต่างๆมาอวดบุญกันเนี่ยถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่รู้เขาบวนหรือเปล่าก็ อ, อาจจะเล่าให้เราฟัง เราเขาไปทําบุญที่ไหนเขาก็มาเล่าให้เราฟังจะอวดไม่อวดมันไม่บาปหรอกเพราะบุญมันเป็นบุญเน่ยอย่างแต่ว่าไม่มีใครหรอกเท่าที่รู้จักที่จะมาอวดบุญกันอวดอย่างอื่นง่ามากกว่าอวดร่ำอวดรวยอวดสวยอวดงามกันอวดทรัพย์สมบัติกันมากกว่าไอเรื่องอวดบุญนี่ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเจอเท่าไหร่คำถามจากคุณจัสตินกอฟค่ะกรรมจากการฆ่าสัตว์ระหว่างฆ่าสัตว์เล็ก กับฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นฆ่ายุงกับฆ่าหมูกรรมที่ได้รับน้ําหนักจะต่างกันหรือเท่ากันไหมครับก็ต่างกันน่ะเพราะถ้าฆ่าหมูก็ต้องกลับไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่านีถ้าฆ่ายุงก็ไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าเนี่ยก็มันก็ทํากรรมใดไว้มันก็จะต้องรับผลของกรรมนั้น คำถามจากคุณอลักกี้เกอร์ค่ะจะสอนให้บิดามารดามีปัญญาที่จะทำสมาธิจเจริญปัญญาได้อย่างไรท่านแค่ได้แต่ทำบุญทำทานเฉยๆค่ะไม่สนใจฟังธรรมไม่สนใจปฏิบัติธรรม อ, อ๋อบิดามารดาเราไปสอนท่านไม่ได้หรอกนอกจากท่านถามเราเราถึงจะบอกท่านได้ถ้าท่านไม่ถามก็เราก็ต้องสอนแบบอ้อมๆคล่อมๆเอาหนังสือธรรมะไปตั้งไว้ตามบ้านตาม ที่ต่างๆเดีย๋ยวท่านเห็นหนังสือท่านกอาจจะหยิบขึ้นมาอ่านได้แต่จะไปบอกพ่อแม่ไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นลูกไม่ไม่ใช่ฐานะของเราพ่อแม่เป็นผู้สั่งผู้สอนเราเราไม่ใช่เป็นผู้สั่งผู้สอนพ่อแม่ต้องจากถ้าเขาขอคําปรึกษานนก็บอกเขาได้คำถามจากคุณแจ็คค่ะถ้าผมเป็นที่พึ่งของครอบครัวและผมหนีไปบวชเป็นการเห็นแก่ตัวไหมครับ ก็กินข้าวก็เห็นกับตัวเปล่าเวลาคุณกินข้าวคุณเห็นแก่ตัวเปล่าเวลาคุณไปบวชก็ไปกินข้าวให้กับจิตใจเหมือนก็ถ้าเราไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนเขาไปได้ถ้าไปแล้วก็ยังเดือดร้อนอยู่ก็อาจจะต้องหาวิธีบรรเทาความเดือดร้อนของเขาก่อนเี่หาคนอื่นจ้างใครมาทําหน้าที่แทนเราก่อนอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไปแต่ท่านก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนจากการไปของท่านเพราะท่านมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งไว้เยอะแยะ ที่เขาสามารถใช้บรรเทาควาทุกอย่ากเดือดร้อนเขาได้แต่การไปปฏิบัติธรรมนี้มันก็เป็นเหมือนกับการไปเข้าโรงพยาบาลเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างนี้เห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันต้องทำนะเพราะว่าไม่ไปรักษามันก็ไม่หายการไปบวชก็ไปเข้าโรงพยาบาลใจใจเราก็ไม่สบายใจเราทุกข์เราก็ต้องไปบวชเพื่อทําให้ใจเราสบาย เลืเราหายจากความไม่สบายใจเราก็กลับมาช่วยคนที่เขาทุกข์ได้ช่วยเหลือเขาได้กลับมาดูแลเขาได้คำถามจากคุณกุลสิริค่คะวันพระลูกจะรักษาศีลแปดแต่บางครั้งบางวันลูกไม่ได้เจริญสติภาเจริญสติสมาธิเท่าที่ควรแบบนี้ยังได้บุญอยู่ไหมเจ้าคะก็ได้บุญแต่จากการรักษาศีล แต่ไ่ไไมด้บญจจาา ก, กา ร, ร, ารคำถามจากพี่ตุ้มค่ะการถือศีลกินเจจะขัดต่อการเป็นโสดาบันหรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันนะการถือศีลมันก็พระโสดาบันท่านก็ถือศีลอยู่แล้วแต่การกินเจนี้พระโซดาบัจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้เรื่องกินเจนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือฆ่าหรือไม่ฆ่า ถ้าเราข่าแล้วเอามากินนี่บาปพระโสดามันไม่ทําอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ามีคนทํากับข้าวมาให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อสัตว์ก็ตามก็กินได้ไม่ต้องกินเจก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ก็แล้วกันถ้าเราไม่สั่งเขาก็ดีหรือทําเองก็ดีก็ไม่ถือว่าเป็นบาปพระโสดาบันก็จะไม่ทํำบาปโดยเด็ดขาดจะไม่สั่งให้เขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ มาทําเป็นอาหารมาเลี้ยงท่านหรือฆ่าด้วยตนเองเพราะอยากกินไม่มีในใจของพระโสดาบันแต่ถ้าไม่จําเป็นจะต้องรักษากินเจเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่ใช่การกินเจนี้ไม่แสดงว่าเป็นผู้มีศีลแต่อย่างใดเพราะถ้าเป็นผู้มีศีลวัวควายมันก็มีศีลเหมือนเราวัวควายมันก็กินเจเหมือนเรากินผักกินหญ้าเหมือนเรา แต่วัวควายมันเป็นววควายเพราะมันไปขโมยหญ้าของคนอื่นกินไปขโมยของคนของคนอื่นกินนีมันไปรักทรัพย์ดีไม่ดีก็ไปกินสัตว์เล็กสัตว์ๆๆๆน้อยหรือไปทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายได้อันนี้ก็นันไม่ได้อยู่ที่การกินอยู่ที่การกระทําถ้าฆ่าก็เอว่าบาปถ้าไม่ฆ่าไม่บาปกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ขายที่ตลาดที่ตายแล้วก็ไม่บาป คำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วธรรมชาติค่ะจะอธิษฐานยังไงให้สำเร็จเร็วๆ เ, เจ้าคะ อ, อ, อธิษฐานจนวันตายก็ไม่สำเร็จอย่าไปอธิษฐานถ้าอธิษฐานเพื่อขอไม่ได้คาว่าอธิษฐานนี้ให้ตั้งใจทาอะไรเรียกว่าอธิษฐานความอมายทีแท้จริงของคำอธิษฐานคือความตั้งใจก็ต้องตั้งใจปฏิบัติทำก็ตั้งใจอยู่บ่อยๆ พอจะไปเที่ยว่าตั้งเปลี่ยนใจมาปฏิบัติธรรมพอจะไปดูหนังฟังเพลงก็เปลี่ยนใจมาปฏิบัติธรรมถ้าทําอย่างนี้จะบรรลุเร็วต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับล้วอย่างนี้จะบรรลุเร็วแต่ไม่ใช่มานั่งขอขอบรรลุเป็นพระโสดาบันขอขอเป็นโสดาบันขอไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำํำ คำถามฝากถามค่ะสวดมนต์ไปหากไม่รู้ความหมายหรือคําแปลนั้นจะเกิดอานิสงส์มากน้อยเพียงใดครับก็ได้สมาธิไงได้สติการสวดก็จะทำให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจของเราก็จะมีสติยับยั้งความคิดแล้วก็ทําให้ใจเราไม่ฟุง้งซ่านแต่ยังไม่สงบเต็มที่มันจะเป็นขั้นแรกสําหรับการทําใจให้สงบ พอใจเราไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะมีกําลังที่จะมานั่งสมาธิดูลมหายใจเขาออกได้ต่อไปแต่ถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาได้ความรูได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรเช่นถ้าเราสวดบทมงคลสูตรเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่คบคนพาลให้ครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นต้นอันนี้จะมีคําแปลเราต้องอ่านคําแปล แต่ถ้าเราสวดแต่ภาษาบาลีไม่ไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้สติได้ได้ความสงบได้ความไม่ฟุง้งซ่านแต่จะไม่ได้รู้ว่าที่บทที่เราสวดนี้สอนให้เราทำอะไรบ้างคำถามฟังถามอีกคำถามค่ะระดับสติปัญญาของเราในภพภูมินี้จะติดเราไปในภพภูมิอื่นไหมคะติดไปอะไรที่มีอยู่ในใจเรามันก็จะติดไปกับใจอะไรที่อยู่นอกใจอยู่ที่ร่างกายก็ไม่ไป ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่ไปกับใจเนีคำถามจากคุณเบตตี้ค่ะตอนกลางคืนคนที่นอนไม่ฝันระหว่างนอนหลับจิตยังอยู่กับตัวตลอดเวลาไหมคะเปรียบเทียบกับคนที่ชอบนอนฝันเกือบทุกคืนที่พระอาจารย์เทศว่าระหว่างฝันจิตออกจากร่างไปชั่วคราวนะคะจิตไม่ออกจากร่างคืเแื่ยุติการใช้ร่างกายเป็น เป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะหาลูกเสียงกลิ่นรสน์เหมือน้ก็ถอดปั๊กหรือปิดปิดเครื่องไม่รับสัญญาณจากร่างกายแต่ใจก็ยังมีมีสิ่งที่ผลิตสิ่งต่างๆให้ใจได้สัมผัสเคยความฝันอยู่และการไม่ฝันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใจเป็นชานหรือเป็นสมาธิแต่งได้บางทีใจมันเหนื่อยมันไม่มีแรงฝันมันก็ไม่ฝันก็มี ดังนั้บางคนที่ไม่ฝันส่วนใหญ่ถ้าไม่ฝันอยู่เรื่อยๆนี้อาจจะเป็นเพราะนั่งสมาธิบ่อยเพราะเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบไม่คิดอะไรเวลานอนหลับก็จะไม่ค่อยฝันเท่าไหร่แต่ก็ยังมีฝันได้ฝันดีบ้างก็มีฝันร้ายบ้างก็มีเพราะอาจจะยังมีกรรมเก่าในอดีตที่เคยทํามายังค้างๆอยู่ในใจอยู่ คำถามจากคุณพัชรีพรคะ่ะถ้าในหน้าที่การงานมีมุมสาโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะทำอย่างไรได้บ้างคะถ้าไม่ถ้าอยากจะรักษาศีลก็ต้องลาออกจากงานนั้นหนระื่อเปี่ยนหน้าที่ที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำผิดศีลแต่ถ้าเรายังคิดว่าเรายังต้องทางานหาเงินอยู่เราก็ต้องเราก็ต้องสละศีลไปสละศีลก็สละความเป็นมนุษย์ไป กลายเป็นเดรัชาสกลายเป็นเป็ดไปงั้นเราก็ต้องเลือกเอาเหมือนกับเจะเอาก้อนเพชรดีหรือจะเอาก้อนหินดีอยากเอาก้อนเพชรก็ต้องทิ้งก้อนหินเนี่ยถ้าอยาก้อนหินก็ต้องทิ้งก้อนเพชรอยากทั้งสองอย่างไม่ได้คําถามจากพี่ตุ้มคะ่ะถ้าเราตายไปแล้วเราต้องรับผลจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลแต่ไม่ได้พูด หรือกระทำทางกายด้วยหรือไม่ครับก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เพราะความคิดอยากกุศลมันก็คิดแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยได้เพียงแต่ว่ามันไม่ส่งผลในทางบาปหรือบุญให้กับเราแต่มันยังปรากฏอยู่ในใจของเราได้อยู่คำถามจากคุณกุลธิดาค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวหนักมากนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆสักพักก็หายนี่คือการขาดสติหรือ หรือไม่คะก็สติก็คือต้องเรา ร, รู้รู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเมื่อกี้ใจและร่างกายเราหนักเดีย๋ยวนี้ร่างกายเราเบาก็แสดงว่าเรายังมีสติอยู่แล้วก็ที่เบาก็เพราะใจเราสงบขึ้นใจสงบแล้วร่างกายก็จะรู้สึกเบาตามใจไปด้วยตามความสงบไปด้วย คำถามจากคุณพิศค่ะลูกสาวอยู่ม .3 ถ้าวันพระตรงกับวันเสาร์หรืออาทิต์ดิฉันอยากให้ลูกได้ทำบุญแต่ลูกไม่ชอบไปทำบุญวันพระลูกบอกว่านั่งนานไม่ชอบจะทำอย่างไรดีคะหลวงพ่ อ, อ, อทำบุญแบบง่ายๆไปก่อนชวนไปใส่บาตรก่อนก็พอชวนไปถวายของหรือว่าทำกับที่อื่นก็ได้ทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนหรือ ทำกับกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันอันนี้ก็ถามเขาว่าชอบทําบุญแบบไหนก็ชวนเขาไปทําบุญแบบนั้นก็แล้วกันคำถามฝากถามค่ะด้วยหน้าที่การ ง, งานระหว่างวันมีมากมายระหว่างวันพยายามนั่งนิ่งๆดูลมหายใจบ้างภาวนาบ้างแล้วก็ทํางานต่อก่อนนอนก็นอนภาวนาให้หลับแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้แต่ก็ได้ไม่มากนีย นอนภาวนาก็จะได้หลับสบายหลับง่ายแต่ยังไม่ได้สมาธิเรื่องเวลาทำงานก็ใจก็อาจจะได้พักบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ยังเข้าถึงความสงบแบบเต็มที่ไม่ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลย<ม>ถ้าจะได้จริงๆก็ต้องเอาวันว่างที่เราไม่ต้องทำงานแล้วก็ เราไปหาที่อยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็พยายามฝึกสติทั้งทั้งวันนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมไปอย่างนี้จะได้มากจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราฝันว่าเราไปทําบุญอันนี้หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะก็หมายความว่าเราไปทําบุญหมดคำถามพระอาจารย์จะหมายความว่าอย่งไรก็มันก็ชัดอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นไปทําบุญก็ไปทําบุญ เป็นความฝันก็ยังไม่เป็นความจริงแต่อยให้เป็นความจริงพอเติ่งขึ้นมาก็ต้องไปทําบุญอันนี้ก็ยาก้ายเป็นความจริงขึ้นมาหมดแล้วนะเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจนะิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด